ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเทระชาวสีลังการันาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบแปดจตุ ป, ปัจจยะทาชนิยะวินิชยกถากระถาว่าด้วยเรื่องของการ จำแนกปัจจัยสี่ก็คือการแจกใจปัจัยบรนี้มาติกา8เหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อแสดงเขตแห่งการได้จีวรว่าดูก่อนทิกตุทั้งหลายมาติกาเพื่อจีวรเกิดขึ้นมีแดอย่างนี้คือถวายแก่สีมาหนึ่งถวายตามกติกาหนึ่งถวายในสถานที่จัดพิษาหนึ่งถวายแก่สงหนึ่ง ถวายแก่อุปโตสงก็คือสงทั้งสองฝ่ายหนึ่งถวายแก่สงผู้จำภรษาแล้ว1ถวายเจาะจง1ถวายแก่บุคคล1อันนี้เป็นมาติการการจําแนกแจกจายจีวรก็ต้องเป็นไปตามมาติกาว่าเขาถวายใครถวายแก่ใครถวายสีมาหรือว่าถวายสงถวายบุคคลถวายตามกติกาถวายสงสองฝ่ายก็คือพิสุนีสงด้วยพิสูตสงด้วย พึงทราบวินิจฉัยด้วยสามารถแห่งมาติกาเหล่านั้นดังต่อไปนี้บรรดามาติการแปดนั้นเมื่อทายกถวายพาดพิงถึงสีมาอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าถวายแก่สีมาชื่อว่าถวายแก่สีมาเที่ยงตูมีจํานวนเท่าใดอยู่ภายในสีมาชีวรที่ทายกถวายแก่สีมาเที่ยงตูเหล่านั้นพึงแจกกันด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถวาย แต่สีมานี่นะที่สุสองอยู่ในสีมานั้นจะกี่รูปก็แล้วแต่ก็ต้องแบ่งแจกกันหมดพึงทราบสีมามีสิบห้าชนิดก่อนสีมาในเรื่องของการสมมุติสีมาเขตของการทําสังกรรมนั้นสีมานั้นมีสองอย่างก็คือพัฒนสีมากับอาัฒนสีมาสีมานั้นน่ะตามที่จะต้องทําสังกรรมภูกเขตเพื่อทําสังกรรมนั้นมีสองอย่างเท่านั้นก็คือ พัตฐสีมากับอภัตตสีมาแต่ว่าถ้าเป็นพัตฐสีมาก็มีการจําแนกออกเป็นมหาสีมาเป็นขันธสีมามีติจีวราวิปวาก็มีสีมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็อภัตตสีมาก็จะมีมีฆามสีมามีสัตตพันตรสีมาหรือว่าอรัญญสีมาสีมาป่าเจตพันดอนเนี่ยนะแล้วก็อุดากุกะเขปสีมาหรือว่าสีมาในน้ํำนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นอภัตร์สีมาแต่ว่าในสีมาในเรื่องการแจกจีวรนี่มีถึงสิบห้าอย่างก็คืออันที่หนึ่งขันธะสีมาอันนี้ก็เป็นสีมาที่ใช้ผูกทาสังกรรมกันอันที่สองอุปจาระสีมาอันนี้หมายถึงว่าสีมาเนี่ยที่ใกล้ที่ใกล้ของสีมาอันที่สามสมาณสังวาสสีมาหมายถึงสีมาที่มีความเป็นอยู่สังก ร, รมร่วมกัน ก็เป็นประเภทอันเดียวกันกันกบคันธศีมาแต่ว่าคันธศีมาเป็นสีมาเล็กๆสีมาย่อยแต่ว่าสมานสังวรศีมาก็หมายถึงสีมาครอบคลุมเลยก็เป็นมหาศีมาอันที่สี่ก็อวิปปวัสศีมาหมายถึงสีมาที่สมมติเป็นแดนที่ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรจีวร อ, อยู่ในเขตนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอามาเข้าอยู่ในหัตถบานหรอกคำสมมติอวิปปวัสศีมาแค่ไหนอยู่ได้ในบริเวณนั้นยกเว้นบ้านแล้วก็อุปจารบ้าน ลาภาศีมานี้หมายถึงสีมาที่มีลาบเสมอกันจะมีกี่วัดก็แล้วแต่อยู่ในสีมานี้ที่กําหนดกันแล้วเนี่ยแจกกีวรในวัดไหนก็ถึงวัดอื่นด้วยคามาศีมานี่ก็หมายถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคามะสีมาแต่ถ้าจะทํากรรมนี่ก็ต้องพิกษุอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ต้องมาร่วมเข้าหัตถบาตกันทั้งหมดนิคมสีมานี้ก็ทั้งนิคมเลยนครสีมาทั้งนครอภัพันตระศีมานี้หมายถึงอภญรติศีมา ชั่วเจอพันดอนเขาเรียกว่าอภันธรศีมาเป็นสีมาที่ไม่ได้ผูกเรียกว่าอภัทถศีมาอุทากุกะเขถปศีมาอันนี้ก็คือนาทีสีมานั่นเองชั่ววักน้าําศาสตร์อาน้าําศาสไปพระพิตร์อยู่ในเขต น, นี้ก็ทําสังฆกรรมได้ขยายตามพิตร์บริษัทชนนปทะศีม า, ช น, มาชนบทสีมานั่นเองก็หมายถึงทั้งชนบทเลยก็เป็นสีมาได้รัฐศีมาก็หมายถึงทั้งรัฐเลยแว่นแคว้นเลย รักชาสีมาก็หมายถึงเขตของพระราชาองค์หนึ่งที่ปะสีมาอันนี้หมายถึงเกาะเกาะเช่นชมพูทวีปหรือว่าลังกาทวีปนี่ก็เป็นสีมาพระบิกฑุอยู่ในเกาะ น, นี้ก็สามารถที่จะได้รับแจกจีวรทั้งหมดแล้วก็จักรวาลสีมาเอาทั้งจักรวาลเลยถ้าเกิดมาถวายที่ประเทศไทยพระบิณฑุอีกรูปหนึ่งอยู่สวันชั้นดาวดึงเป็นจักรวาลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะต้อง ในรับชีวรนี้ด้วยบรรดาสีมาเหล่านั้นขันธ์สีมาได้กล่าวแล้วในสีมาราถาก็เป็นสีมาเล็กที่อยู่ในสีมาใหญ่เพื่อสะดวกในการทํากรรมเป็นเขตๆจากสมมติขันธาสีมาหลายๆสีมาก็ได้อยู่ในสมานสังวาสสีมาหรือว่ามหาสีมาส่วนอุปจาราสีมาก็เป็นแดนที่กำหนดด้วยเครื่องล้อมแห่งวัดที่ล้อมด้วยที่ควรแก่การล้อมแห่งวัดที่ไม่ได้ล้อม ออุปจาระสีมาก็คือเครื่องล้อมเครื่องล้อมก็คือรั้วหรือว่ากำแพงซึ่งก็จะมีเข ต, ตประมาณชั่วก้อนดินตกเลตุบาทหนึ่งเป็นที่ล้อมหรือว่าที่ควรอย่างการล้อมของวัดที่ไม่ได้ล้อมก็คือรั้วถ้ามีรั้วก็เอาเขตรันะนะ้วนั่นแหละเป็นอุปจาระสีมาถ้าไม่มีรั้วก็เอาชั่วก้อนดินตกก็คือที่ควรจะล้อมนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งจากสถานที่พิจุประชุมกันหนึ่งนิดหรือจากโรงฉันอันตั้งอยู่ริมเขตวัดหรือจากอาว่าที่อยู่ประจําภายในสองชั่วเรตุบาทของบุรุษผู้มีแรงปานกลางเข้ามาถึงทราบว่าเป็นอุปจาระศีมาเนี่ยเอาสองสองเรตุบาทอุปจาระศีมาก็คือจากอาว่าที่อยู่ประจําเนี่ยวิหารหลังสุดท้ายหรือว่าโรงฉันที่อยู่ริมเขตวัดกว้างออกไป ชสัสองเลตุบาทสองเลตุบาทก็เรียกว่าเป็นอุปจาระศีมาก็อุปจาระศีมานั้นเมื่ออาวาสขยายกว้างออกไปย่อมขยายออกเมื่ออาวาสต้นแคบเข้าย่อมแคบเข้าเหมือนกันแต่ในมหาปัจรีแก้ว่าอุปจารสีมานั้นเมื่อภิกตุเพิ่มขึ้นย่อมกว้างออกเพราะฉะนั้นถ้าภิกตุทั้งหลายนั่งเต็มร้อยยอติดเนื่องเป็นหมู่เดียวกับพวกภิกตุผู้ประชุมในวัด แม้ที่ตั้งร้อยยอดย่อมเป็นอุปจาระี่มาด้วยลาทย่อมถึงแก่พิจุทั่วกันแม้สมาณะสังวาสถีมาและอวิปวาสถีมาทั้งสองก็มีในดังกล่าวแล้วนั่นแหลคือเป็นมหาสีมาที่มีสังก ร, รมมมีความเป็นอยู่ร่วมกันสังวาสหมายถึงความอยู่ร่วมอยู่ร่วมด้วยอะไรอยู่ร่วมด้วยอุบโบสถอยู่ร่วมด้วย ปาวารนาอยู่ร่วมด้วยสังฆกรรมอย่างอื่นหมายถึงว่าสามารถที่จะมาทํากรรมร่วมกันได้อันนี้ก็ได้ว่าสมานสังวาสีมาอาวิปวากสีมาก็หมายถึงติดคิวเราวิปวากเขตที่ไม่อยู่ปราจากไตรจีวรนนั่นเองหมายถึงไปยตัติสมมุติใช้นิมิตอันเดียวกับสมานสังวาสีมานั่นแหละสมมติทับหลวงไทนะเพื่อป้องกันเคนเอื่นจะมาถอน เชื่อว่าลาภัสสีมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาได้ทรงอนุญาตไม่ก็ะธรรมสังฆาหตะเทระทั้งหลายก็ไม่ได้ตั้งไว้ก็แต่ว่าพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาให้สร้างวัดแล้วกําหนดพื้นที่โดยรอบคาวุธิหนึ่งบ้างกึงโยดบ้างโยดหนึ่งบ้างปักเสาจารึกชื่อว่านี้เป็นลาพัสสีมาสําหรับวัดของเราแล้วปักแดนไว้ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นภายในเขตนี้สิ่งนั้นทั้งหมดเราถวายแก่วัดของเรานี้ชื่อว่าลาภสีมาเพราะฉะนั้นลาภสีมานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตพระธรรมสังฆาะเถระคือพระอัศกถาจารย์ทั้งหลายไม่ได้ตั้งเอาไว้ด้วยแต่ว่าเป็นพระราชากับมหาอ ม, มามาชพระราชานี่แหละเป็นคนที่บัญญัติเอาไว้คือสร้างวัดแล้วก็กำหนดเขตว่าราภทั้งหลายเกิดในบริเวณนี้เราก็ถวายแก่ สีมานี้ถวายเจ้วัดนี้เขตนี้ก็เรียกว่าเป็นลาะสีมาสีมาที่มีลากเสมอกันมีกี่วัดภายในสีมานี้ก็มีลากเสมอกันหมดถึงคามะสีมานิคมสีมานครสีมาอพันตรศีมาและอุดะกุกกะเขตตะสีมาก็ได้กล่าวแล้วเหมือนกันคามะสีมาก็เป็นสีมาบ้านนิคมสีมาก็สีมานิคมก็คือกว้างกว่าบ้านนั่นเองนครสีมาก็ทั้งนครเลย อพันตรสีมานี่ก็เป็นสีมาป่าหรือเรียกว่าสัตตพันตรสีมาหรืออรัญญสีมานั่นแหละอันเดียวกันสีมาเจ็ดอพันดรหรือว่าสีมาป่าอุดางกุกักเข็ปะสีมานี่ก็สีมาในน้ำในนาทีนั่นแหละทราบไว้แล้วในเรื่องของสีมาชื่อว่าชนะปะทะสีมาหรือชนบทสีมานั้นได้แก่ชนบทเป็นอันมากมีภายในแคว้นกาสีและโกศนเป็นต้นในชนบทเหล่านั้นแดนกําหนด แห่งชนบทอันหนึ่งหนึ่งชื่อชนะปะทะศีมาได้กำหนดแห่งแคว้นกลางศีและโอสนเป็นต้นชื่อว่ารัตถสีมาเอาทั้งแคว้นเลยสถานที่เป็นไปแห่งอาณาของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งหนง่อย่างนี้คือโจลโภคะเจรระโภคะชื่อว่ารัชศรีมามาถึงอยู่ในอำนาจของพระราชาองค์หนึ่ง เกาะใหญ่และเกาะเล็กซึ่งกําหนดด้วยสมุดเป็นที่สุดเรียกว่าทีปักสีมาสีมาเกาะแดนที่กําหนดด้วยภูเขาจักรวาลเท่านั้นชื่อว่าจักรวาลสีมาโอ้ถ้าเกิดใครถวายแกสีมาคือถวายแกจักรวาลสีมานี้ว่าพระมิตุอยู่ในจักรวาลนี้ทั้งหมดก็มีส่วนในการที่จะได้รับชีวันหมดในสีมาเหล่านี้ที่กล่าวแล้วด้วยประการอย่างนั้นเมื่อทายกเห็นสงประชุมกันในขันสีมา ด้วยกรรมบางอย่างจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงในสีมานี้เท่านั้นดังนี้พิกจุมีจํานวนเท่าใดอยู่ภายในขันทศสีมาพิจุเหล่านั้นพึงแบ่งปันกันเพราะว่าจีวรนั้นย่อมถึงแก่พิจุเหล่านั้นเท่านั้นไม่ถึงแก่พิจุเหล่าอื่นแม้ผู้ตั้งอยู่ที่สีมนตริกหรืออุปจารสีมาสีมนตริกหมายถึงเขตบ้านอยู่ระหว่างขันทศสีมาและ มหาสีมาหรือว่าสมานสังวาสีมานั่นเองช่องว่างตรงนั้นชื่อว่าสีมันตริกเป็นช่องว่างระหว่างสีมามีคติเหมือนกับบ้านเพราะฉะนั้นก็สงเคราะห์เป็นคามมเขตก็ไม่มีส่วนร่วมในจุวานี้เพราะว่าเขาถวายแก่ขันธสีมาเท่านั้นแล้วผู้ที่อยู่ในอุปจาระสีมาก็ไม่มีติดด้วยแต่ว่าอุปจาระสีมาก็อยู่นอกมหาสีมาออกไป แต่ย่อมถึงแต่ที่สุผู้ตั้งอยู่บนต้นไม้หรือว่าบนภูเขาซึ่งขึ้นอยู่ในขันทสีมาหรือผู้อยู่ท่ามกลางแผ่นดินภายใต้ขันทศีมาเป็นแท้แต่พันธสูตมีฤริ์ดำดินไปอยู่ภายใต้ขันทศีมาสามารถมีส่วนในชีวร น, นี้ด้วยแต่ว่าเมื่อสมมุติเขตขันทศีมาหรือสมานสังวาสีมาแล้วก็ยังลงไปถึงน้ำรองพื้นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดำดินไปอยู่ภายใต้ดินอยู่ตรงเขตขันทศีมาก็มีส่วนด้วย อันหนึ่งจีวรที่ทายกถวายว่าขับจ้าถวายแกสงในอุปจาระศีมานี้ย่อมถึงแม้แกที่สุดทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในคันธศีมาและศีมันตริกถ้าเกิดถวายแกอุปจาราศีมาเพราะว่ามันตั้งแต่เขตมหาศีมาทั้งหมดซึ่งก็คลุมทั้งขันธศีมาแล้วก็ศีมันตริกด้วยออกไปชั่วที่ล้วรอมันนะที่เขตที่มีั้วรอมถือว่าเขตโรงฉัน อาสนะสุดท้ายคว่างออกไปสองเลนทุบาทเป็นอุปจาระสีมาทำมีมิลโรรอมส่วนจีวอนที่ทายกถวายว่าข้าพเจ้าถวายแก่สมานสังวาสีมาย่อมไม่ถึงแก่ที่สุดทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในคันดสีมาและสีมันตริกเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนกันนะว่าถ้าถวายแก่คันดาสีมาเพียกสุอยู่ในสีมันตริกอยู่ในมหาสีมาอยู่ในอุปจาระสีมาก็ไม่ได้ ถ้าถวายแก่สมาสังวาสสีมาก็คือมหาสีมาทิสุที่อยู่ในขันธสีมาก็ไม่ได้อยู่ในสีมันตริกก็ไม่ได้จีวรที่ทายกถวายในอวิปปวาสีมาและลาภสีมาย่อมถึงแก่ทิสุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมในสีมาเหล่านั้นส่วนจีวรที่ทายกถวายในคามาสีมาเป็นต้นย่อมถึงแม้แก่ทิสุผู้ตั้งอยู่ในพัตธสีมา ภายในแห่งสีมาเหล่านั้นถ้าพัตติติมาอยู่ในเขตบ้านนั้นร่วมทั้งหมดเลยมีตัวในจีวรด้วยจีวรที่ถวายในอภันตรสีมาและอุดากูกะเขปสีมาย่อมถึงใจพิษุผู้อยู่ภายในสีมาเหล่านั้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำหนดเขตสีมานะว่าถ้าอยู่ในสีมานั้นแล้วเขาถวายจับจงสีมานั้นก็มีส่วนร่วมทั้งหมด ในชนนับปทะศีมารัตตศีมารัชศีมาทีปะสีมาและจกักรวาลศีมามีวิธีฉชยเช่นดังกล่าวแล้วในขามัสศีมาเป็นต้นนั่นแหละถ้าถวายขามะสศีมาพิสูจน์พุทธังอยู่ในพักติดศีมาก็ได้ด้วยก็ถ้าว่าทายกอยู่ในชมพูทวีปก็คือในประเทศอินเดียนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายสงในตำพระปันนิทวีปก็คือในเกาะลังกา อยู่อินเดียแต่ถวายแก่พิจุที่อยู่ในเกาะลังกาพิจุแม้รูปหนึ่งมาจากตำพะปัณนนิทวีตย่อมได้รับแทนพิจุทั้งปวงแม้หากว่าพิจุผู้ชอบพอกันรูปหนึ่งในชมพูทวีตนั่นเองจะรับส่วนแทนพิจุทั้งหลายที่ชอบพอกันไซส์ไม่พึงห้ามเธออยู่ในอินเดียแต่ว่าเป็นเพื่อนกับพระพิจุในลังกาเพราะฉะนั้นจะรับแทนก็ได้ พื่อสร้างปณฉชยในการถวายของทายกผู้ถวายของาพาดพิงถึงสีมาดังนี้ก่อนฝ่ายทายกดาดไม่เข้าใจที่จะพูดว่าในสีมานูน้นก็คือไม่รู้ว่าจะถวายในสีมานู้นสีมานี้รู้แต่เพียงว่าสีมาอย่างเดียวเท่านั้นมาวัดกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายการสีมาแต่สีมาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าถวายสงผู้ตั้งอยู่ในสีมาดังนี้ เพิ่งถามทายกนั้นว่าขึ้นชื่อว่าสีมามีหลายอย่างท่านพูดหมายเอาสีมาอย่างไหนถ้าเขากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักว่าสีมาชนิดนุ้นๆสงผู้ตั้งอยู่ในสีมาจงแบ่งกันถือเอาเถิดดังนี้อันนี้เป็นคําถามถามว่าสงในสีมาไหนจะพึงแบ่งกันท่านก็บอกว่าถวายกับสีมาก็าไม่รู้สีมาไหนนะถ้าอย่างนี้สงในสีมาไหนจะแบ่งกันได้ยินว่าพระมหาสิวะเถระ กล่าวว่าสงในอวิปปวัสีมาพึงแบ่งกันก็คือในเขตที่สมมติทัพสมาลจังหวะขีมานั่นแหละเป็นเขตที่ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรยกเว้นบ้านและอุปจาราบ้านพึงแบ่งกันลำดับนั้นพิจุตทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าธรรมดาอาวิปปวัสีมาประมาณตั้งสามโยตเมื่อเป็นเช่นนี้พิจุตตั้งอยู่ในสามโยต์จะรับลาบได้ผู้ตั้งอยู่สามโยตจจกพึง บำเพ็ญอาคันตุกวัตเข้าสู่อารามเพราะว่าปกติแล้วอุปจาระศีมานะี่ยแหะถ้าเข้าอุปจาระศีมาเนะี่ยก็ต้องเริ่มบำเพ็ญอาคันตุกวัตนะนะแต่ความจริงแนละ้วอุปจาระศีมานี้มันไม่ถึงสามโยชนกแต่ว่าอาวิปวศีมานี้สามารถที่จะส ม, มุติได้ถึงสามโยชน์ทั้งสามโยชน์เป็นที่สุดเกินแม้ปลายเส้นผมเดียวก็ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่ว่า น, นี้ก็ไม่เป็นสีมากลายเป็นสีมาวิบัติตา เพราะฉะนั้นผู้ตั้งอยู่สาโยต์จากพึงบําเพ็ญอาคันตุกะวาัตเข้าตัวอารามผู้เตรียมจะไปจากเดินทางสามโยตจึงจักบอกมอบเสนาสะนะสาหรับผู้ปฏิบัตินิสัยนิสัยจะกระนับต่อเมื่อล่วงสามโยต์ไปผู้อยู่ปริวาสจะพึงก้าวล่วงสามโยตแล้วรับอรุณเพราะว่ารับอรุณนี้ต้องไปรับที่อุปจารสมา ภิกษุณีตั้งอยู่ในระยะสามโยต์จกพึงบอกเล่าการที่จะเข้าสู่อารามอันนี้ก็เข้าปราชารสีมาแล้วก็ต้องส่งข่าวมาบอกว่าพระภิกษุมีอยู่ในวัดพระภิกษุนีจะขอเข้ามาในวัดึงต้องบอกกล่าวก่อนไม่บอกกล่าวอยู่เข้ามาในวัดไม่อก็อวัตภิสตีกิจนี้ทั้งหมดสมควรทําด้วยอํานาจแดนกําหนดแห่งอุปจารสาามาเท่านั้นเพราะเหตุนั้นสงตั้งอยู่ในอุปจารสมาเท่านั้นพึงแบ่งกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามาถวาย จีวรแกสีมาไม่จะบอกว่าเป็นสีมาไหนให้รู้ว่าเป็นการถวายอุปจาราศีมาเพราะฉะนั้นที่ตุอยู่ภายในอุปจาราศีมานั้นสามารถที่จะแบ่งกันได้นี้ก็เป็นเรื่องการถวายจีวรแกสีมาต่อไปมรดกาข้อที่สองก็ในคําว่าถวายตามกติกาก็คือข้อตกลงการนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ชื่อว่ากติกาได้แก่กะติกาที่มีลาาเสมอกัน ในการถวายตามกติกานี้พึงตั้งกติกาอย่างนี้พิสูจนทั้งหลายประชุมกันในวิหารหนึ่งระบุชื่อวัดที่ตนประสงค์จักสงเคราะห์ปราถนาจะทําให้เป็นแดนมีลาบเสมอกันเพราะว่าวัดบางวัดนี้ก็ยากจนม่มีใครไปถวายชีวรเลยทำให้มีลาบเสมอกันกับวัดที่มีลาบอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อนุเคราะห์กันกล่าวเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งว่าวัดโน้นเป็นวัดเก่า ว่าวัดโน้นเป็นที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่หรือว่าวัดโน้นมีลาบน้อยแล้วประกาศสามครั้งการที่ทําวัดนั้นกับวัดนี้ให้เป็นแดนมีลาบอันเดียวกันย่อมชอบใจแก่สองหรือดังนี้ประกาศสามครั้ง น, นี้เรียกว่าอาปาโลกนกรรมเป็นการประกาศให้ทราบด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิสุแม้นั่งแล้วในวัดนั้นเธอย่อมเป็นเหมือนนั่งแล้วในวัดนี้อันสงอ์แม้ในวัดนั้นพึงทําอย่างนั้นเหมือนกัน ในเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุแม้นั่งแล้วในวัดนี้เธอย่อมเป็นเหมือนผู้นั่งแล้วในวัดนั้นเหมือนกันเมื่อแบ่งลาบกันอยู่ในวัดหนึ่งอันภิกษุผู้อยู่ในอีกวัดหนึ่งสมควรได้รับส่วนแบ่งด้วยอาวาสแม้มากก็พึงกระทําให้เป็นที่มีลาบอันเดียวกันกับวัดหนึ่งโดยอุบายอย่างนั้นและเมื่อสงกระทํากติกาอย่างนี้เมื่อทเยธรรมที่ทายกถวายในอาวาสหนึ่ง ชื่ว่าเป็นอันถวายแล้วในวัดทั้งปวงอันนี้ก็เป็นการถวายตามกติกาจะแตกต่างจากถวายที่เป็นลาภสาีมาก็คือลาภสาีมาหมายถึงพระราชาหรืออมาตย์นั้นเขากําหนดเขตถ้ามีลาภเกิดในเขตนี้ก็ถวายแต่วัดของเราก็สร้างวัดของเขาไว้อันแต่ว่าถ้าเป็นถวายตามกติกานี้จะอยู่เขตไหนเขตไหนก็ได้กี่วัดกี่วัดก็ได้ปรับปลงกันว่าท่านลาภเกิดในวัดไหนก็ ให้ทั่วถึงการกับวัดอื่นๆด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถวายตามกติกาต่อไปเป็นมาตรการข้อที่สามการถวายในที่ซึ่งตกแต่งพิษาสถานที่เป็นที่ตกแต่งทานะบริจาคของตนซึ่งเป็นสถานที่ตนถวายพัดแก่สงเป็นประจำชื่อว่าการถวายในที่ซึ่งตกแต่งพิษาในที่ซึ่งทายกถวายพัดประจำแก่สงนี้นั้น พัดทานของสงฆ์ซึ่งเป็นของทายกผู้ถวายจีวรนี้เป็นไปในวัดใดก็ดีทายกทำที่สุดทั้งหลายในวัดใดให้เป็นภาระของตนนิมนต์ให้ฉันในเรือนทุกเมื่อก็ดีในวัดใดขอสร้างที่อยู่ไว้ก็ดีในวัดใดขอถวายสลากกับพัเป็นต้นเป็นนิพก็ดีวัดเหล่านี้ชื่อว่าวัดที่มีพัดประจำเาเรียกว่าทุวพัดทัวพัดหมายถึงพัดที่ถวายประจำ อันหนึ่งวัดทั้งสิ้นซึ่งทายกใดสร้างในวัดนั้นของทายกนั้นไม่มีคําที่จะพึงกล่าวเลยเพราะเหตุนั้นถ้าขาวกล่าวว่าพัดบริจาคประจําของข้าพเจ้ากระทําอยู่ในวัดใดข้าพเจ้าถวายในวัดนั้นก็คือถวายจีวรในวัดนั้นนั่นแหละถือว่าท่านจงให้ในวัดนั้นแม้หากว่ามีพัดบริจาคประจําในที่หลายแห่งชีวรนั้นเป็นอันเขาวถวายทั่วทุกแห่งทีเดียว ก็ทาว่าในวัดหนึ่งมีพิสุมากกว่าพิกษุลานั้นพึงบอกว่าในวัดที่มีพัดบริจาคเป็นประจําของพวกท่านวัดหนึ่งมีพิกษุมากวัดหนึ่งมีพิสุน้อยถ้าหากเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาตามจํานวนพิสุเถิดสมควรแบ่นถือเอาตามนั้นก็คือไปแจกให้ได้ทุกรูปทุกโรูปก็ในคําว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาตามจํานวนพิสุเถิดนี้ ห้าและเทศเป็นต้นแม้น้อยย่อมแบ่งกันได้โดยง่ายแต่ว่าเตียงหรือตั่งมีตัวเดียวเท่านั้นพึงถามเขาแล้วพึงให้สำหรับวัดหรือเสนาสนะแม้ในวัดหนึ่งที่เขาสั่งก็คือถามเพราว่าจะถวายวัดไหนถ้ามีเตียงตังตัวเดียวถ้าเขากล่าวว่าเที่ยงจุดโน้นจงถือเอาดำนี้ควรอยู่หากว่าเขากล่าวว่าท่านจงให้แก่วัดที่มีพัดบริจาคเป็นประจำของข้าพระเจา้า ดังนี้แล้วไม่ทันได้สั่งการไปเสียแม้สงจะสั่งการก็ควรก็แล้วแต่สงตัดสินนะว่าจะเอาไปวัดไหนก็ตกลงกันก็แล้วสงพึงสั่งการอย่างนี้พึงสั่งว่าท่านจงให้ในสถานเป็นที่อยู่ของพระสังฆเถระก็ให้เกียรติพระสังฆเถระถวายท่านไปให้ท่านใช้ถ้าในที่นั้นมีเสนาสนะบริบูรณ์ในที่ใดเสนาสนะไม่เพียงพอพึงให้ในที่นั้น ถ้าว่าพิจารุรูปหนึ่งกล่าวว่าในที่อยู่ของข้าพเจ้าไม่มีของใช้สําหรับเสนาสนะพึงให้ในที่นั้นอันนี้ก็เดิมการถวายจีวรในที่ซึ่งเขาตกแต่งพิษาก็คือถวายอาหารประจําทุกภพนอกจากจีวรก็ยังมีเทปัดด้วยก็ยังมีเตียงต่างเสนาสนะด้วยเพราะฉะนั้นก็แจกแต่งไปตามที่เขาตกแต่งพิษาไว้มาดิการข้อที่สี่ ในมรดกาว่าถวายแก่สงนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ถ้าทายกเข้าไปในวัดกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่สงสงผู้ตั้งอยู่ในอุปจาระศีมาพึงตีระครังให้ประกาศเวลาแล้วแจกกันพิสูผู้จะรับส่วนแทนพิสุผู้ตั้งอยู่ในสีมาแต่มาไม่ทันไม่ควรห้ามวัดใหญ่เมื่อถวายผ้าตั้งแต่เถระอาจลงมา พระมหาเถรผู้เชื่องช้าย่อมมาภายหลังยาพึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถวายถึงทิศตูผู้มีรรษายี่สิตลำดับของท่านเลยไปเสร็จแล้วในพึงกล่าวอย่างนี้แต่พึงเว้นลำดับไว้ถวายแก่พระมหาเถรเหล่านั้นเสร็จแล้วจึงถวายตามลำดับภายหลังท่านมาช้าก็เพราะว่าท่านแก่แล้วก็อนุเคราะห์หน่อยนึงทิกตูทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าที่วัดโนูนเกิดมีจีวรมาก จึงพากันมาจากวัดซึ่งตั้งอยู่ในระยะโยชหนึ่งบ้างสิบหกกิโลเพราะว่าจะไปรับจีวรมีจีวรแจกมากพึงให้จำเดิมแต่พิกษุทั้งหลายมาทันแล้วมาทันแล้วเข้าลำดับ ก, ก็คือต้องเข้าลำดับการตามพรรษาเฉพาะพวกพิกษุที่มาไม่ทันเข้าอุปจาระตีมาแล้วเมื่ออันเตวาสิกเป็นต้นจะรับแทนก็ควรให้พาลุกสิ์มาก่อนอาจารย์มาที่หลังหรือว่าอุปชามาที่หลัง แต่ว่าอุปชาอาจารย์นั่นเข้าในอุปจาระศรีมามาแล้วอันเตวสิกก็คือลูกศิษย์จะขอรับแทนอันนี้ควรให้ไปอันเตวสิกเป็นต้นกล่าวว่าท่านจงให้แก่พิกตุผู้ตั้งอยู่ภายนอกอุปจารารัศีมาดังนี้ไม่พึงให้ถ้ายังไม่เข้าเขตอุปจาราระศีมานี้แม้ลูกศิษย์มาขอให้อาจารย์ก่อนก็ไม่ให้ก็ถ้าว่าพิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ประตูวัดของตนหรืออยู่ภายในวัดของตนทีเดียว เป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกับพิจุทั้งหลายผู้เข้าอุปจาระถีมาไ้สีมาชื่อว่าขยายออกด้วยอำนาจหมู่คณะเพราะฉะนั้นควรให้พ ร, ระวิสุขก็เดินแถวมาสักสองร้อยรูปมาอีกวัดหนึ่งก็เข้าอุปจาระสีมาของอีกวัดหนึ่งแล้วแต่ว่าปลายแถวนี้ยังอยู่ในวัดของตัวเองอยู่เลยเพราะฉะนั้นให้ได้เพราะว่าถือว่าเข้าอุปจาระแะเนื่องเป็นอันเดียวกันแม้เมื่อให้จีวรแก่สังฆนวิกละแล้ว ก็ควรถวายแก่พระเถระทั้งหลายผู้มาภายหลังเหมือนกันอันหนึ่งเมื่อส่วนที่สองได้ยกขึ้นสู่เถระอาจแล้วส่วนที่หนึ่งย่อมไม่ถึงแต่พิจุทั้งหลายที่มาแล้วพึงให้ตามลําดับปรรหาตั้งแต่ส่วนที่สองไปถ้าแจกพระสังฆเถระไปแล้วการพิจุจะมาภายหลังจองแจกไปตามลําดับแล้วจะเอาตัวของพระสังฆเทระมาให้ไม่ได้ถ้ามีพระปัญษามากกว่าพระสังฆเทระที่วัดนี้มาก็ารับแต่ส่วนที่สองเป็นต้นไป ถ้าในวัดหนึ่งมีพิจูตสิบรูปพายกถวายผ้าสิบผืนว่าข้ามเจ้าถวายแก่สง์ผ้าเหล่านั้นพึงแจกกันรูปละผืนรูปกระผืนถ้าพิกูุเหล่านั้นถือเอาไปทั้งหมดทีเดียวด้วยคิดว่าผ้าทั้งหมดเหล่านี้ถึงแก่พวกเราดังนี้เป็นอันให้ถึงแก่ตนไม่ดีทั้งเป็นอันถือเอาไม่ดีผ้าเหล่านั้นย่อมเป็นของสง์ในที่ซึ่งเธอไปถึงเข้าแล้วนั่นแล ก็คือว่าถ้าไปเจอพระพิกสุรูปอื่นอีกเท ks ุรูปอื่นก็มีตัวในจีวร น, นี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการถือเอาไม่ดีถือเอาไม่ชอบถ้าบอกว่าจีวรเหล่านี้ถึงแต่พวกเราเนี่ยนะ น, นี่เป็การถือเอาไม่ชอบอันหนึ่งจะชักออกผืนหนึ่งถาวายแก่สังฆเถระว่าผืนนี้ถึงแก่ท่านดังนี้แล้วถือเอาด้วยคิดว่าผ้าที่เหลือถึงแก่พวกเราดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็ไปเจอ แล้วพิจุที่อื่นที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นการแบ่งแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วก็คือไม่ต้องให้ก็ได้แต่ถ้าพอใจก็จะแบ่งก็ได้ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องแบ่งแต่ถ้าบอกว่าถ้าทั้งหมดเหล่านี้ถึงแก่พวกเราอันนี้เอาชีวันไปที่ไหนก็เป็นของสงอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถ้าเจอพิจุอื่นต้องแบ่งไม่แบ่งก็มีโทษถ้ายกผ้ามาผืนเดียวถวายว่าข้าพเจ้าถวายแก่สง พีกสูทั้งหลายไม่แบ่งกันถือเอาได้คิดว่าผ้านี้ถึงแก่พวกเราผ้านั้นเป็นอันเธอทั้งหลายให้ถึงแก่ตนไม่ชอบทั้งเป็นอันถือเอาไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเจอไปสู่รูปอื่นไปสู่รูปอื่นก็ต้องมีส่วนด้วยแต่ควรเอามีดหรือว่าขมิ้นเป็นต้นทำให้เป็นรอยให้ตัวนหนึ่งแก่พระสังฆเถระว่าตอนนี้ถึงแก่ท่านแล้วถือเอาด้วยคิดว่า ตอนที่เหลือถึงแก่พวกเราจะทําการกําหนดปันกันด้วยลายดอกไม้หรือว่าเพลือวันแห่งผ้านั้นเองไม่ควรถ้าชักเส้นได้ออกเส้นหนึ่งถวายแก่พระเถระว่าตอนนี้ถึงแก่ท่านแล้วถือเอาว่าส่วนที่เหลือถึงแก่พวกเราควรอยู่ผ้าที่พิสูตัดเป็นชิ้นๆแบ่งกันควรแทะถ้าตัดแบ่งกันเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องชักตัวนหนึ่งออกมาถวายพระเถระก่อนว่าส่วนนี้ถึงแก่พระเถระ ส่วนที่เหลือถึงแก่พวกเราแล้วก็ค่อยแบ่งกันอันนี้ใครจะมาที่หลังก็ไม่ต้องแบกแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้ยังไม่แบ่งกันบอกว่าถ้าพวกนี้เนี่ยถึงแก่พวกเราทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันอันนี้เป็นการถืออนไม่ชอบถ้าเจอปฏิสษุรูปอื่นต้องแบ่งให้เขาด้วยเมื่อจีวรทั้งหลายเกิดขึ้นแก่สงในวัดซึ่งมีทิกจุรูปเดียวหากทิจูนั้นถือเอาว่าจีวรทั้งหมดย่อมถึงแก่เรา ตามในดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นเองเป็นอันเธอถือเอาชอบส่วนลำดับไม่ตั้งอยู่อันนี้ก็มีรูปเดียวเพราะฉะนั้นอบอกว่าชีวันทั้งหมดเนี่ยย่อมถึงแก่เราเพราะว่าแจากคนเดียวนี่ถ้าแจากมีสองท่านก็บอกว่าส่วนแรกถึงแก่ท่านส่วนที่เหลือถึงแก่ผมอันนี้ก็เป็นการแจกโดยชอบแต่เมื่อมีรูปเดียวก็บอกว่าชีวันทั้งหมดนั้นย่อมถึงแก่เรา <Maybe> เป็นการถือเอาโดยชอบแต่ว่าส่วนลำดับไม่ตั้งอยู่ลำดับไม่ตั้งอยู่ ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมีจีวรเกิดขึ้นอีกในวัดนั้นพระพิโุรูปอื่นมานี่ต้องให้พระพิโุอื่นแล้วตัวเองไม่ตั้งอยู่ในลำดับแล้วก็ได้ไปแล้วหากเธอยกขึ้นทีละผืนถือเอาว่าผ้านี้ถึงแก่เราลำดับย่อมตั้งอยู่บรรดาลำดับที่ไม่ตั้งอยู่และตั้งอยู่ทั้งสองนี้เมื่อลำดับไม่ตั้งอยู่ครั้นจีวรอื่นเกิดขึ้นอีก ถ้าที่สุรูปหนึ่งมาเธอตั้งสองปึงตัดตรงกลางถือเอาหมายถึงว่าต้องแบ่งให้กับที่สุรูปอื่นเมื่อลำดับตั้งอยู่ครั้นจีวร อ, อื่นเกิดขึ้นอีกถ้าที่สุอ่อนกว่ามาลำดับจ่อมเลื่อนลงข้างล่างถ้าที่สุผู้แก่กว่ามาลำดับเลื่อนขึ้นข้างบนก็คือต้องให้ตามลำดับที่มานั่นแหละถ้าไม่มีที่สุอื่นปึงให้ถึงแก่ตนถือเอาอีกถ้าให้ถือเอาตามลำดับ ถ้าเกิดไม่มีลำดับเนี่ยาไม่มีลำดับแล้วขันชีวร อ, อื่นเกิดขึ้นนี่พิกษุรูปหนึ่งมาก็ต้องแบ่งครึ่งเลยต้องแบ่งครึ่งแต่ถ้าเกิดถือเอาตามลำดับลำดับตั้งอยู่จีวรตเกิดขึ้นถ้าพิกษุอ่อนกว่ามาก็ต้องให้พิกสุอ่อนถ้าพิกษุแก่มาก็เลื่อนขึ้นทันภิกสุแก่พอตัวเองรับไปแล้วอนะถ้าไม่มีใครมาต้าให้ถึงแก่ตนอีกก็ได้แต่จีวรที่เขาถวายพาดพิงถึงสง์ุ่นอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ข้าพเจ้าถวายแกสงก็ดีว่าข้าพเจ้าถวายแกพิจุสง์ก็ดีไม่ควรแก่พิจุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดพิจูดที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนี้ทรากรถวายสงนี้ไม่ควรครับเพราะเธอสมาทานว่าเราห้ามฆหบดีจีวรสมาทานองค์แห่งพิจุผู้ถือเอาบางสกุลเป็นวัดแต่ไม่ควรแก่พิจุผู้ถือผ้าบางสกุลเพราะเหตุที่จีวรนั้นเป็นอกติยะหามิได้ไม่ใช่เป็นอกัติยะ แต่ว่าเพราะว่าสมทานว่าไม่รับข้าบดีจีวรนเพราะฉะนั้นเมื่อข้าบดีเอามาถวายแต่งสงก็ไม่ควรรับแม้พิจุสงอัปโลกให้แล้วก็ไม่ควรรับก็แล้วพิจุให้จีวรใดซึ่งเป็นของตนจีวรนนั้นชื่อว่าเป็นของพิจุให้ควรอยู่ก็เกิดจีวร น, นั้นเข้ามาถวายทรงแล้วแล้วก็แบ่งเป็นของพิจุไปแล้วแต่พิจุนั้นเอามาถวายแต่พิจุพูดถือผ้าบางสกุลอันนี้จะรับได้ จะรับก็ได้แต่ว่ากีวรนั้นไม่เป็นผ้าบางสกุลแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นทุดงย่อมไม่เสียเป็นความบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวอะถ้าเอามาวางไว้ที่แทบเทา้าที่บุดรับด้วยมือแต่ว่ามาวางไว้ที่แทบเท้าก็เป็นบางสกุลฝ่ายเดียวเยกโตสุธิถ้าเขาเอามาวางไว้แจ็ทเทา้าพระพิตอีกรูปนึง พิสุทิรับมา น, น, นั้นก็เอามาวางไว้แจกเท้าที่ถูกผู้ถือผ้าบางสกุลอันนี้ก็บร Rose ิกจุทั้งสองฝ่ายอุปโตสุทธิอันหนึ่งเมื <im> ่อทายกถวายว่าข้าพเจ้าถวายแก่พิสุทิทั้งหลายข้าพเจ้าถวายแก่พระเถรราทั้งหลายดังนี้ย่อมควรนัพระเถรราเหล่านี้เอามาถวายกับพระพิสุทผู้ถือบางสกุลนี้ก็ได้คือย่อมควรแม้แก่พิสุทผู้ถือผ้าบางสกุลแต่ถ้าถวายเป็นของทรงแล้วอามาแจกพระพิสุทิผู้ถือพ้าบางสกุลนั้นไม่ควร จีวรที่ทายกถวายว่าทัาพเจ้าถวายผ้านี้แก่สงฆ์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงทําถุงใส่รองเท้าถุงบาตรผ้ารัดเขา่าและสายสะพายเป็นต้นด้วยผ้านี้ดังนี้ย่อมควรเพราะว่าเขไม่ถวายให้ทําเป็นจีวรให้ทําเป็นถุงใส่รองเท้าถุงบาตรผ้ารัดเขา่าสายสะพายผ้าที่ทายกถวายเพื่อประโยชน์แก่ถุงบาตรเป็นต้นมีมากเป็นของเพียงพอแม้เพื่อประโยชน์แก่จีวร จา ก, กระทาจีวรจากผ้านั้นห่มก็ควรก็ถ้าว่าสงตัดท้าที่เหลือจากที่แจกันแล้วแจกให้เพื่อประโยชน์แก่ถุงรองเท้าเป็นต้นจะถือเอาจากท้านั้นไม่ควรแต่ผ้านั้นพวกเจ้าของจัด ก, การเองนั้นแหลควรอยู่นอกนั้นไม่ควรแม้เมื่อทายกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อประโยชน์แก่ทาผูกกระบอกกลองเป็นต้นแก่สงดังนี้ สมควรถือเอาเป็นผ้าบางสกุลขึ้นชื่อว่าบริขารแม้ทิกสุผู้ถือผ้าบางสกุลก็พึงปราถนาเพราะฉะนั้นถ้าเขาถวายเพื่อประโยชน์แกผ้าผูกกระบอกกรองน้ำแต่สงฆ์ก็ตามถ้าเอามาแจกพระทิสุผู้ถือผ้าบางสกุลรับได้ในผ้าที่เขาถวายเพื่อให้เป็นผ้าผูกกระบอกกรองเป็นต้นเหล่านั้นผ้าใดเป็นของเหลือเฟือจะน้อมผ้านั้นเข้าไปในจีวรบ้านก็ควร เพรว่าเขาไม่ได้มีเจตนาถวายเป็นพระจีวรแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วผ้ามันเหลือเฟือก็เอามาทำปักชีวรหรือว่าเอามาเสริมชีวรก็ได้ทายกถวายได้แก่สงได้นั้นแม้ทิกษุภู้ทือผ้าบางสกุลก็ควรรับเวทีฉัยในผ้าที่ทายกเข้าไปตูวัดแล้วถวายว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่สงเท่านี้ก่อนข้อท่าว่าทายกเห็นที่สุภทั้งหลายผู้เดินทางไกล ไปภายนอกอุปจาระี่มาแล้วบอกแกรพระสังฆเถระหรือพระสังฆนวกาวา่ขาขับจ้าถวายสงแม้ถ้าบริษัท ต, ตั้งแพ่ไปโยดหนึ่งหากว่าเนื่องเป็นอันเดียวกันย่อมถึงแก่ทิษุทั่วกันฝ่ายทิสุเหล่าใดขาดช่วงบริษัเทเพียงสิบสองกจีวรย่อมไม่ถึงแก่ทิสุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเว้นช่วงการสิบสองอก ก็ชื่อว่าขาดอุปจาระไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องแจกกฐินที่ล่วงเลยทิศสองศอกนั้นไปจบมธัธยกาข้อที่สี่ก็คือถวายแก่สงมธัธกามีแปดอันแรกก็ถวายแกสีมาอันที่สองก็ถวายตามกติกาอันที่สามถวายในสถานที่ก็จัดติศาที่ก็แต่งทิศาไว้อันที่สี่ถวายสง ไว้ต่อพรุ่งนี้ตอนที่ห้าก็คือถวายการส่งสองฝ่ายคือพิกูุส่งด้วยี่ทูนีส่งด้วยอันที่หก็ถวายการส่งผู้จำพรรษาแล้วก็จะเรียกว่าเป็นผ้าจํานำพรรษาก็ได้แล้วก็อันที่เจก็คือถวายเจาะจงอุติสักแล้วก็อันที่แปดถวายแก่บุคคลวันนี้ก็มดเวลาขอยท่านทั้งหลายเป็นผู้เอือ้อเฟื้อรักษาสง่งพระวินยัยน้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติ ด้วยอา น, นิสงส์ของสีน the ี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ไม่เดือนซ้อนไม่วิปฏิสานก็เรียกว่าอาวิปฏิสานก็จะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทปราโมทก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปานสัตทิปานสัตทีก็เป็นปัจจัยแก่ความสุขความสุขนี่แหละจะเกื้อกูลแก่ความเป็นสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นมีความสุขเป็นเหตุใกล้เมื่อมีสมาธิจิตตั้งมั่นก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ ก็ไก่ท่านทั้งหลายมีปัญญาตู้แจ้งทางจรอดภริยสัจธรรมตามที่พระสัมม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าทรงตรัรู้แล้วและพระอริยสวรคทั้งหลายตรัสรู้แล้วและพ้นจากทุกไปแล้วด้วยกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ